วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติวันที่สิบสองสิงหาคมพุทธศักราชส5งพั้ารห้าสิเป็นที่เป็นวันที่พวกเราจะมาบูชาพระคุณของคุณพ่อของคุณแม่ด้วยการปฏิบัติบูชาเพราะการปฏิบัติบูชา เป็นการบูชาที่แท้จริงและเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาทรงบูชาพระคุณของพระพุทธมารดาและของพระพุทธบิดาด้วยการปฏิบัติธรรมทรงเสด็จออกจากพระราชวังทรงพระนวล ทรงบำเพ็ญบทรงบาเพ็ญ ร, รมต่างๆจนได้ตัสลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็ได้ทรงโปรดพระพุทธมารดาที่ประทับอยู่ในสวรรค์จนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันและทรงสอนพระราชบิดาพระพุทธบิดา จนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เจ็ดวันก่อนที่จะเสด็จสวรรคตถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงปฏิบัติพระองค์ก็จะไม่มีบุญบารมีที่จะอบรมสั่งสอนให้พุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลให้พระพุทธบิดาได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ นี่แหละคือการบูชาที่แท้จริงต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาคือทําตัวเราให้เป็นคนดีให้เป็นคนฉลาดให้เป็นคนที่หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเมื่อเราเป็นคนดีมีคนฉลาดหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้แล้ว เราก็สามารถที่จะช่วยเหลือบิดามารดาของเราให้ได้ดลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เช่นเดียวกันดังครูบาจารย์ต่างๆที่เราได้รู้จักท่านก็มีบิดามารดาที่ท่านได้เมตตาอบรมสั่งสอนช่วยให้บิดามารดาของท่านนั้น ได้มีธรรมไว้เป็นที่พึ่งทางใจนี่แหละคือความสาคัญของการปฏิบัติบูชาจะได้ประโยชน์ทั้งตัวเราเองและประโยชน์ของผู้อื่นตามลำดับต่อไปในเบื้องต้นเราต้องสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเราก่อนทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก่อน พอเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วเราก็จะสามารถสั่งสอนผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกันการปฏิบัติบูชานี้เราปฏิบัติอะไรเราก็ปฏิบัติทรรมคือบุญบารมีต่างๆที่เป็นปัจจัย ที่จะทำให้เราได้เกิดความรู้ความฉลาดเกิดความสามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆภายในใจของเราและยุติการเวียนว่ายตายเกิดของใจเราการที่เราจ ะ, ะปฏิบัติธรรมได้สำเร็จสร้างบุญบรารมีต่างๆได้สำเร็จ เราจำเป็นจะต้องมีบุญบารมีอยู่สี่ประการก่อนคือข้อที่หนึ่งก็คืออธิษฐานบารมีความตั้งใจศัจจบารมีความจริงใจวิริยะบารมีความอุตสาหพยายามความภาคเพียรขันติบารมี ความอดทนนี่คือบารมีสี่ประการที่เราควรสร้างให้เกิดขึ้นมาก่อนคือเราต้องทําอะไรเราต้องตั้งเป้าเอาไว้ตั้งใจไว้ก่อนเมื่อเราตั้งเป้าตั้งใจไว้แล้วเราก็ต้องมีความจริงใจต่อความตั้งใจของเรา ไม่ใช่ตั้งใจแล้วก็ไม่ทําตามที่เราตั้งใจไว้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจถ้าเราได้ตั้งเป้าแล้วแล้วเรามีสัจจะเราก็จะต้องมีวิริยะคือความอุตสาหะที่จะทําตามที่เราได้ตั้งเป้าเอาไว้เมื่อเราทําแล้วถ้าเกิดความยากลําบาก การที่จะทำให้สิ่งที่เราปรารถนาสำเร็จขึ้นมาได้ก็ต้องมีขันติความอดทนนี่คือบุญบรารมีสี่ประการที่เราจำเป็นจะต้องมีถ้าเราอยากจะปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาให้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมา ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องมีอธิษฐานบา ร, รมีคือเราจะต้องมีความตั้งใจแล้วก็ต้องมีสัจจะบา ร, รมีมีความจริงใจแล้วก็ต้องมีวิริยะบา ร, รมีความอุสาหพยายามแล้วก็ต้องมีขันติ บารมีความอดทนนี่คือคุณธรรมสี่ประการที่จะเป็นปัจจัยเป็นเหตุที่จะผลักดันให้เราได้ไปสร้างได้ไปปฏิบัติบูบชากันสิ่งที่เราต้องสร้างต้องปฏิบัติบูบชาก็คือเมตตาบารมี เราต้องสร้างความเมตตาให้เกิดขึ้นมาภายในใจของเราถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะสร้างทานบา ร, รมีได้เราก็จะให้ได้คนที่มีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นก็จะชอบให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นชอบให้ทาน คนที่ชอบให้ทานก็จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นก็จ ะ, จะเจริญศีลบารมีได้คือศีลห้าผู้ที่จเจริญศีลห้าได้ก็จ ะ, จะเจริญในยธรมมบาลมีได้ก็คือศีลแปดจากศี 5, ลห้าเราก็ก้าวขึ้าสู่ศีลแปดถ้ารักษาศีลแปดได้เราก็จ ะ, จะเจริญ ในอุเบกขาบาลมีได้อุเบกขาบาลมีก็คือทําใจให้สงบให้นิง่งให้เป็นกลางเป็นอุเบกขาแล้วถ้าเรามีอุเบกขาบารมีเราก็จะเจริญปัญญาบารมีได้เราก็จะใช้ใช้ธรรมะใช้ปัญญานี้มา หยุดความอยากหลับความทุกข์ต่างๆภายในใจของเราได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมคือการสร้างบุญบา ร, รมีนี้เองเบื้องต้นเราต้องมีความตั้งใจเป็นมีความจริงจังจริงใจแน่วแน่ต่อความตั้งใจมีความอุตสาหะพยายามที่จะทําตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้มีความอดทน เวลาที่เจอความยากลำบากในการบําเพ็ญบารมีเช่นวันนี้เราก็ได้ตั้งใจจะมาวัดเพื่อมาสร้างบุญบารมีต่างๆเมื่อเราตั้งใจแล้วพอถึงเวลาเราก็ต้องเดินทางมาถ้าเร า, เาไม่มีสัจจะคือ พอถึงเวลาจะมาก็ไม่มาเพราะอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายหรือขี้เกียดอยากจะอยู่บ้านหรือว่ามีเพื่อนมาชวนให้ไปทำอะไรอย่างอื่นถ้าเราไม่มีสัจจะความตั้งใจของเราที่จะมาวัดก็จะล้มเหลวลงไปก็จะไม่ได้มาวัดเพื่อมา ปฏบิบัติบูชามาบำเพ็ญบารมีต่างๆแต่ถ้าเรามีความตั้งใจแล้วเรามีความจริงใจพอถึงเวลาเราก็จะออกเดินทางมาถึงแม้ฝนฟ้าอากาศจะไม่เอื้ออํานวยถึงแม้จะรู้สึกไม่ค่อยสบายถึงแม้จะมีเพื่อนโทรมาชวนให้ไปทําอะไรต่างๆก็จะไม่ไป พอได้ตั้งใจไว้แล้วว่าวันนี้จะมาวัดมาปฏิบัติบูบชามเมื่อเราได้มีความจริงใจแล้วเราก็จะต้องมีความอุตสาหะพยายามต้องออกเดินทางมามีปัญหาอะไรก็ต้องแก้ไปลดยางแตกก็ต้องเปลี่ยนยางลดน้ามันหมดก็ต้องไปหาน้ามันมาเติม ไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆมาทาให้การความตั้งใจของเรานี้ล้มเหลวลงไปแล้วถ้ามีความยากลำบากต้องเหนื่อยบางทีอาจจะต้องเดินเพื่อไปซื้อน้ามันรถนเดินกายก็ต้องมีขันติความอดทนที่จะต้องไปเดินไปหาซื้อน้ามันมาเติมใส่รถให้ได้ จะเดินจะเหนื่อยหน่อยจะลำบากหน่อยแต่ก็ไม่ท้อแท้มีความอดทนพอเรามีความอดทนมีความอุตสาหะความพยายามแล้วเราก็จะฝันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึง่งเช่นมาวัดเพื่อมาปฏิบัติบูบชา พอเราได้เดินทางมาถึงวัดแล้วเราก็จะได้ทำสร้างบารมีต่างๆบารมีที่เราต้องมีเป็นพื้นฐานของจิตใจก็คือเมตตาบารมีเราจะต้องมองทุกคนว่าเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เป็นศัตรูกันใครที่เขาทำร้ายเราทำลายจิตใจทำลายความรู้สึก ทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราเดือดร้อนเราจะต้องให้อภัยเราอย่าให้เกิดความรู้สึกโกรธเกลียดปรากฏขึ้นมาภายในใจเพราะถ้าเรามีความโกรธเกลียดแล้วเราก็จะเห็นเขาเป็นเหมือนศัตรูไม่เป็นเหมือนมิตรเมื่อเราเห็นเขาเป็นศัตรูเราก็จะคิดร้ายกับเขา ถ้าเราคิดร้ายกับเขาเราก็จะไม่สามารถทําสร้างทานบารมีได้ไม่สามารถรักษาสร้างศีลบารมีได้คือเราจะให้อะไรเขาไม่ได้ให้ให้ความสุขกับเขาไม่ได้เพราะเราอยากจะให้ความทุกข์กับเขาเนื่องจากว่าเขาทำให้เราโกรธทำให้เราเกลียดทำให้เราแค้นอาฆาตพยาบาท เราต้องใช้อ่การไม่จองเวรใช้ความเมตตานี้มาละลายความโกรธความเกลียดนี้เสียให้เราคิดว่าเราเกิดมาอยู่ในโลกนี้เราก็เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันเกิดมาก็ต้องมาฟันฝ่ากับความทุกข์ยากลําบากต่างๆควรที่จะช่วยเหลือกันฟันฝ่าความทุกข์ยากลําบาก ดีกว่าที่จะมาสร้างความทุกยากลำบากให้เพิ่มขึ้นนี่คือเรื่องของความเมตตาบารมีที่เราสวดกันอยู่เป็นประจำสับเบสัตตาอเวราหุนตุแปลว่าขอให้เราจงอย่ามีเวณมีกรรมกับสัตว์ทั้งหลายเถิดใครจะทำร้ายเราใครจะทำอะไรให้เราไม่พอใจทําให้เราเสียใจเราจะให้อภัย เราจะไม่ถือโทษโกรธเคืองจะไม่จองเวรจองก ร, รําอัปยาปชาหนนตุเราจะไม่เบียดเบียนกันเราจะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงสุขีอั ต, ตานังปริหารันตุแปลว่าเราจะส่งความสุขส่งความปรารถนาดีให้กับทุกๆคน อันนี้เป็นการสอนใจเวลาที่เราสวดแต่เวลาแผ่เมตตาจริงๆนี้ต้องแผ่ตอนที่เราพบกันเจอกันเวลาเราเห็นหน้ากันเราก็แผ่เมตตาส่งความปรารถนาดีทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสส่งความสุขให้แก่ผู้อื่นเวลาเรายิ้มนี่แล้วเท่ากับเราส่งความสุขให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นเวลาเขาเห็นเรายิ้มเขาก็จะมีความสุข ถ้าเราส่งความบึ้งตึงแยกเขียวใสเขาก็จะมีความทุกข์ไม่สบายใจงนั้นเราต้องแผ่เมตตาเหยียใครเราก็ต้องยิ้มย้ ม, ยมแจ่มใสทักทายถ้าเราไม่สามารถที่จะยิ้มได้เราก็ทำใจเฉยๆอย่าส่งความ เครียดแค้นออกมาอย่าแสดงความเครียดแค้นความเกลียด ค, ค, ความชังออกมาทำใจเฉยๆเพราะว่าบางทีบางคนเขาเราไม่รู้จักเขาเขาไม่ยินดีที่จะรับการส่งความสุขของเราเราก็ทำใจเฉยๆทำใจเป็นปกติอย่าพูดร้ายอย่าทำร้ายผู้อื่น ถ้าใจของเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะสร้างบา ร, รมีขั้นต่อไปได้ก็คือทานบา ร, รมีเราก็จะให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นได้ถ้าเราเห็นว่าผู้อื่นเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นพี่เป็นน้องกันเวลาเขาเดือดร้อนทุกข์ยากลาบากเรามีอะไรพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไป มีอะไรให้ได้ก็ให้กันไปเรียกว่าทานบารมีถ้าเราให้ทานได้แล้วเรามีความเมตตาไม่คิดชาเบียดเบียนใครเราก็จะสร้างศีลบารมีได้ศีลบารมีก็คือศีลห้านี่เองคือเราจะละเว้นจะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายาเมาเพราะการเสพสุรายาเมาจะทําให้ขาดสติไม่สามารถประคับประคองอความเมตตาได้คนที่ไม่มีสติมื่จะทําอะไรไม่ความเมตตาทําไปตามอารมณ์อารมณ์ไม่ดีก็จะระบายออกมาไม่ยับยั้งเอาไว้ถ้ามีสติก็จะสามารถ ยับยังสามารถรักษาความเมตตาให้มีไว้กับใจได้ถึงแม้ว่าเราจะมีอารมณ์ไม่ดีเราก็จะไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายผู้นี่ก็คือศีลบารมีเราต้องพยายามทำทานอยู่เรื่อยๆเราอย่าหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีมากเกินความจำเป็น ถ้าเรามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วถ้าเรามีมากไปกว่า น, นั้นก็ถือว่าเป็นของไม่จำเป็นถ้าเราไม่เอามาทำทานเราเก็บเอาไว้ก็จะกลายเป็นาภาระแก่จิตใจแทนที่จะทำให้ใจมีความสุขก็จะทำให้ใจมีความทุกข์เพราะจะต้องคอยดูแลรักษาทรัพย์สมบัติต้องคอยหวงคอยห่วง แล้วก็ต้องมาเสียใจมาทุกเวลาที่สูญเสียทรัพย์สมบัตินั้นไปแล้วก็จะมีความโลภอยากจะได้ทรัพย์สมบัติเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราเอาทรัพย์สมบัติที่มีมากจนเกินไปนี้มาทำบุญอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะไม่หวงไม่หวงไม่เสียดายไม่เสียใจเวลาที่สูญเสียทรัพย์สมบัติไป แล้วก็จะไม่โลภอยากจะได้ทรัพย์สมบัติมากมายกายกองมีไว้เท่าที่จำเป็นก็พอแล้วนี่คืออานิสงส์หรือประโยชน์ของการสร้างทานบารมีการสร้างศีลบารมีก็เพื่อที่จะรักษ า, าความดีของเราไว้รักษามิตรภาพไว้ ถ้าเราไม่ไปฆ่าไม่รักทรัพย์ไม่ไปประพฤติปิดเวณีปเวณีไม่กอหกหลอกลอกเราจะรักษามิตรภาพไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถรักษาศีลได้เราก็จะไม่สามารถรักษามิตรภาพได้แทนที่จะมีเพื่อนก็จะมีศัตรูแทนที่จะมีคนที่รักที่ชอบเราก็จะมีคนที่เขาเกลียดเรา แล้วก็จะทําให้ใจของเราไม่เป็นปกติสุขก็จะต้องวิตกกังวลกับการกระทําเช่นการล้างแค้นของผู้อื่นเวลาที่เราไปทําร้ายเขาแต่ถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะไม่มีศัตรูเราก็จะไม่ต้องวิตกกังวลกับการทําร้ายของผู้อื่นะ ผู้อืเขาจะไม่คิดทำร้ายเราเพราะเราไม่ได้ทำร้ายเขานั่นเองนี่ก็คือเรื่องของศีลบา ร, รมีถ้าเรารักษาศีลบา ร, รมีได้เราก็จะมีความสง บ, บสุขเราก็จะเห็นคุณประโยชน์ของความสง บ, บสุขของจิตใจและเราก็จะสามารถที่จะเจริญบา ร, รมีขั้นต่อไปได้ก็คือเนคข ม, มะบา ร, รมี เรารักษาสีน5ห้าได้แล้วขั้นต่อไปเราก็จะก้าวขึ้นสู่การรักษาสีน8แปดได้เช่นวันธรรมดาเรารักษาสีน5ห้าไปพอวันพระเราก็มารักษาสีน8แปดเพิ่มขึ้นอีกสามข้อเพอการรักษาสีน8แปดเพิ่มขึ้นนี้จะช่วยให้ใจของเรามีกำลังที่จ ะ, จะเจริญอุเบกขาบาลมีที่จะทําใจให้สงบ ให้เป็นอุเบกขาให้เป็นกลางได้อย่างนั้นผู้ที่จ ะ, จะเจริญอุเบกขาบารมีผู้ที่จะนั่งสมาธิให้เกิดความสงบได้นี้จำเป็นจะต้องมีศีลแปดเป็นผู้สนับสนุนศีลห้านี้จะไม่มีกำลังพอเพราะว่าศีลห้ายังไม่สามารถหยุดความอยากในกามารมณ์ได้ ผู้ที่ถือสีนห้านี้ยังร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้ยังหาความสุขจากการรับประทานอาหารในายามค่าคืนในายามตอนเย็นได้ยังหาความสุขจาก เ, าเครื่องบันเทิงต่างๆยังดูละครดูหนังยังฟังเพลงได้ยังไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ เวลานอนก็นอนบนผูกหนาๆได้นอนอย่างสบายแต่การกระทําเหล่านี้เป็นความสุขที่เดี๋ยวเดียวเป็นความสุขชั่วคราวไม่เหมือนกับความสุขที่จะได้รับจากการเจริญอุเบกขาบารมีจากการทําใจให้สงบเป็นอุเบกขาอันนี้จะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่จะได้รับจากการดูการฟังการดื่มการรับประทานการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าและดับความทุกข์ที่จะตามมาจากการใช้การมลลมต่างๆเราก็ต้องถือศีลแปแล้วก็จ ะ, ละรลกในคธมรมบารมี วิธีที่จะเจริญเนื้อธมะบา ร, รมีก็คือต้องเจริญสตินี่เองต้องคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปเรื่อยเปยื่อยเวลาคิดแล้วก็จะเกิดอารมณ์ต่างต่างขึ้นมาส่วนใหญ่ความคิดของเราเกือบเกือบร้อยเซ็นนี้จะคิดไปในทางความอยากคิดไปในทางความอยากในการอารมณ์อยากดูอยากฟัง อยากลืมอยากรับประทานอยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรืออยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่หรืออยากไม่ได้นั่นอยากไม่ได้นี่อยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่อยากไม่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจ ใจก็จะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจจะไม่มีความสุขแต่ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดไปในทางความอยากได้เช่นให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจบริกรรมไปทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ว่าเราจะทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็บริกรรมไปถ้าต้องใช้ความคิดเราก็หยุดบริกรรม ช่วงเท้พอเราไม่ต้องใช้ความคิดในการทํางานแล้วเราก็มาบริกรรมต่อถ้าเราควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางความอยากได้ใจก็จะเบาจะเย็นจะสบายแล้วถ้าเรามีเวลาว่างนั่งเฉยๆหลับตาได้แล้วก็ควบคุมความคิดต่อไปได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบ พอใจสงบใจก็จะว่างใจเย็นจะสบายจะมีความสุขอย่างมากและจะมีอุบเบกขาความเป็นกลางใจจะไม่มีความรู้สึกอยากได้อะไรหรือไม่อยากได้อะไรจะเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่คือเนธคัมมะบาลมีพอเราได้เนธคัมมะบาลมีแล้ว เวลาเราออกจากสมาธิมามาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราเผลอไม่ควบคุมความคิดไว้ความคิดนี้ก็จะคิดไปในทางความอยากอีกถ้าเราอยากที่จะหยุดความคิดที่คิดไปในทางความอยากอย่างถาวรเราก็ต้องเจริญปัญญาบารมีปัญญาบารมีก็คือเราต้องสอนใจให้รู้ความจริงว่า ความอยากนี้แล้วคือต้นเหตุของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจของความที่ใจไม่เป็นกลางไม่เป็นอุเบกขาเวลาออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเกิดความอยากขึ้นมาปับ๊บความอุเบกขาที่ได้จากการนั่งสมาธินี้จะหายไปหายไปเพราะความอยากการหายของอุเบกขาก็เท่ากับว่าเป็นการ การเกิดขึ้นของความวุ่นวายใจนั่นเองเกิดขึ้นกับความไม่สบายเกิดขึ้นของความไม่สบายใจเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วจะรู้สึกหมุดหิตดมทานใจจะกังวนกวายก็สับก็สายจะคอยจ้องดูว่าจะได้สิ่งที่ตอนเองอยากได้หรือไม่จะอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยเฉยไม่ได้เวลาอยากจะดื่มอะไรแล้วนี่จะ ต, ต้องไปดื่มให้ได้ เช่เวลาอยากจะดื่มกาแฟาถ้าไม่ได้ดื่มนิจใจจะหงดหนิดลำคาญใจจะต้องหาวิธีหากาแฟามาดื่มให้ได้พอดื่มแล้วความอยากดื่มก็จะหายไปชั่วคราวความหงดหงิดลำคาญใจกระสับกระส่ายก็จะหายไปชั่วคราวแต่ไม่นานก็จะหวนกลับคืนมาใหม่การที่เราจะรักษาอุเบกขา รักษาความสงบจึงไม่ใช่อยู่ที่การทําตามความอยากถึงแม้ทําตามความอยากแล้วความความขุ่นเหยียดลำควาญใจจะหายไปความเป็นอุเบกขาจะกลับมาแต่ก็จะกลับมาเพียงเดี๋ยวเดียวเพราะจะเกิดความอยากมาอย่างใหม่ขึ้นมาได้ดีื่วแล้วก็วอยากจะได้อยากจะรับประทานอะไรอีกอยากจะดูอยากจะฟังอะไรอีก อันนี้ก็ถ้าอยากที่จะรักษาความสงบรักษาอุเบกขาดับความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นเหมือนยาพิษเป็นเหมือนงูพิษไม่ใช่เป็นเพื่อนไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความสุขการทำตามความอยากนี้ไม่ได้ทำให้เราเกิดได้รับความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมพอเมื่อได้ทําตามความอยากแล้วก็สุขเดียวเดียวแล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดความสุขใหม่เพิ่มขึ้นมหมีกถ้าตราบใดที่เราไม่หยุดความอยากไม่เห็นโทษของความอยากเราก็จะทําตามความอยากไปเรื่อยเราก็จะต้องกลายเป็นทาสของความอยากไปจะไม่สามารถอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้ จะต้องดิ้นลนหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบำลงบำเล อ, อยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเวลาใดที่ไม่สามารถหามาได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจเช่นเวลาไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อของต่างๆมาให้ความสุขกับเราหรือเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถที่จะทำตามความอยากได้ เป็นเวลาเป็นอมพุทออมภาาหรือเวลาแก่ชราจะไปไหนมาไหนก็ไปไม่ได้ตามลำพังไปก็ไม่มีเรีย่ยวมีแรงไม่มีกำลังที่จะทำตามที่เคยได้ทำไว้ตอนที่ร่างกายมีกำลังวังชาแข็งแรงเวลานั้นถ้ายังมีความอยากอยู่เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจอยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าเรามีปัญญามีอุบเบกขาบรารมีเราก็จะสามารถดับความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้พอหยุดความอยากได้แล้วเวลาไม่สามารถที่จะทำอะไรตามความอยากได้ก็จะไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่มีความอยากจะทำอยู่นั่นเองอยู่เฉยๆก็พัสบายแล้วไปทำให้มันเหนื่อยทาไม ทำเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้ความสุขอย่างแบบอยู่เฉยๆอยู่แบบไม่มีความอยากเพราะว่าอยู่มันจะสุขไปตลอดไม่เหมือนกับสุขที่ได้จากการทําตามความอยากที่เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ต้องทําใหม่อีกเดื่มกาแฟถ้วยหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็ต้องเดือมอีกถ้วยหนึ่งสูบบุหรีม่มวนหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องสูบอีกมวนนึ่ง ต้องทำซ้ำซ้ำซักๆอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนวันตายจนถึงวันที่ไม่สามารถที่จะทำได้พอไม่ทำพอทาไม่ได้แล้วตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจนี่คือการปฏบิบัติบูชาเพื่อดับความทุกข์ทรมานใจต่างๆให้หมดไปจากใจของเราต้องปฏิบัติ ด้วยการสร้างบุญบารมีสร้างเมตตาบารมีสร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีสร้างเมขมะบารมีสร้างอุเบกขาบารมีสร้างปัญญาบารมีด้วยการเจริญอธิษฐานบารมีด้วยการเจริญสัจจะบารมีด้วยการเจริญวิริยะบารมี ด้วยการเจริญขันติบารมีนี่คือธรรมะหรือบุญบารมีต่างๆที่เราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ถ้าเราอยากจะอยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขอยู่โดยปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆถ้าเราต้องการยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเจริญลอย ตามที่พระเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมาพระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญบารมีทั้งสิบประการนี้มาจึงทําให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันได้เจริญบุญบารมีทั้งสิบประการนี้ได้ปฏิบัติบูบชา จึงได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราก็จะได้เป็นพระอาหารหันต์เช่นเดียวกันถ้าเราบำเพ็ญปฏิบัติบูบชาด้วยการเจริญบุญบา ร, รมีทั้งสิบประการนี้ไม่มีอะไรที่จะมาะขวางกัน้นการบรรลุมรคนิพพานได้ถ้ามี บารมีทั้งสิบประการนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเป็นนักบวชหรือเป็นคารวาตไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าจะอยู่ในสมัยพระพุทธการหรืออยู่ในสมัยปัจจุบันนี้บุญบารมีทั้งสิประการนี้สามารถยังมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นได้ต่อผู้บำเพ็ญเสมอเป็นอาการที่โก ไม่มีวันเสื่อมไปตามการตามเวลาอยู่ที่ว่าผู้ปฏิบัติจะมีความสามารถเจริญบารมีทั้งสิทธิประกาศนี้ได้หรือไม่เท่านั้นถ้าเจริญได้ก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นเด็กก็บรรลุได้เป็นผู้ใหญ่ก็บรรลุได้เป็นหญิงก็บรรลุได้เป็นชายก็บรรลุได้เป็นคารวะก็บรรลุได้ เป็นนักบวชก็บรรลุได้ถ้ามีบารมีทั้งสิบประการนี้ถ้าสามารถปฏิบัติบูชาช ic, จเจริญบารมีทั้งสิบประการนี้ได้แต่ถ้าไม่มีบารมีทั้งสิบประการนี้ไม่จเจริญไม่ปฏิบัติจะเป็นใครก็ตามก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุได้อยู่ที่การจเจริญบารมีทั้งสิบประการนี้เอง ดังนั้นพวกเราอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปคิดว่าตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้ไม่มีแล้วเพราะไม่มีผู้นำเราอย่าลืมคําสอนคําพูดของพระเจ้าว่าธรรมวินัยคือทำคําสอนที่พระตถาคตได้ตัดสอนไว้นี้แหละจะเป็นตัวแทนของพระตถาคตต่อไปเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า เพรามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่งสอนให้เราสร้างบา ร, รมีทั้งสิประการนี้อันนี้แหละเป็นที่เป็นาศาสดาของพวกเราถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนจเจริญบา ร, รมีทั้งสิประการนี้ก็เท่ากับว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราอยู่เป็นาศาสดาของเราอยู่เป็นผู้นําทางให้เราได้ไปถึงมรรคผลนิพพานได้ ดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่เพศที่ไวัยไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นคารวาสหรือเป็นนักบวชเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติบูชาได้หรือไม่เราจะสร้างอธิษฐานบารมีขึ้นมาได้หรือไม่สร้างสัจจะบรารมีขึ้นมาได้หรือไม่สร้างวิริยะบรารมีขึ้นมาได้หรือไม่สร้างขันติบรารมี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 ถ้าเรามีการก่อสร้างหามวัสดตุต่างๆมาประกอบกันขึ้นมาก็จะมีศาลาหลังนี้เกิดขึ้นมาได้ถ้าอยู่นั่งอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรศาลาหลังนี้ก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ทด่านใดมรรคผลนิพพานการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการได้ปฏิบัติบูบชาทดแทนบุญคุณแก่บิดามารดาได้อย่างแท้จริง ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติบูชาเกิดจากการสร้างบุญบารมีทั้งสิประการนี้พอเราบรรลุแล้วหลุดพ้นแล้วเราก็จะเป็นที่พึ่งของบิดามารดาของญาติสนิทมิตรหายได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้เป็นที่พึ่งของบิดามารดาของญาติสนิทมิตรหายมีบิดามารดา มีญาติสนิทมิสหายได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจนํานวนมากเพราะอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้านี้เองถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จอบอวุ่นไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีใครสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานกันได้เนี่ยบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการปฏิบัติบูชานี้ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าทุกวันนี้ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีที่พึ่งทางใจให้กับพวกเราพวกเราทุกวันนี้มีที่พึ่งทางใจกันใจของเราไม่ทุกข์มากมายเหมือนกับพวกที่ไม่มีที่พึ่งเพราะเรามีบุญบารมีต่างๆคอยคุ้มครองเราเพียงแต่ว่ายังมีไม่ครบถ้วนทุกส่วนทุกประการเท่านั้นเอง ถ้าเรามีบุญบารมีครบทุกส่วนทุกประการแล้วจะไม่มีความทุกเล็ดลอดเข้ามาสู่ภายในใจของเราได้เลยดัยงนั้นหน้าที่ของเราจึงอยู่ที่การสร้างบุญบารมีทั้งสิงประการนี้ให้มีครบอยู่ภายในใจของเราถ้ามีแล้วเราก็จะมีที่พึ่งอย่างถาวรที่พึ่งอย่างเต็มที่ จะปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆไม่ว่าเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ก็ดีเกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีเกิดจากความตายก็ดีเกิดจากการสูญเสียสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบบุคคลที่รักบุคคลที่ชอบไปก็ดีจะไม่มากระทบกระเทือนจิตใจจะไม่ได้ทําให้จิตใจนี้ต้องวุ่นวายต้องทุกข์ทรมานใจเลย ดัง น, นั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราเป็นกิจของเราไม่มีใครทําหน้าที่อันนี้แทนเราได้เราต้องทําหน้าที่ของเราเองเราทําแทนคนอื่นก็ไม่ได้พ่อแม่จะทําแทนลูกๆ ก, ก็ไม่ได้ลูกๆจะทําแทนพ่อแม่ก็ไม่ได้เช่นเวลาพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่ในโรงพยาบาลลูกๆจะมาสร้างบุญบรารมีแทนบิดามารดาก็ไม่ได้ เวลาลูกเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่จะมาสร้างบุญบา ร, รมีให้กับลูกๆ ก, ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันทุกคนจะตั้งสร้างบุญบา ร, รมีของตนเองขึ้นมาจึงขอฝากเรื่องของการมาดําเพญมาปฏิบัติบูบชาเนื่องในวันแม่แห่งชาตินี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อความสุขและความเจริญและความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตชิ น, นงังเปตานางังอุปกัปติ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 อาภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจจายโนจตารโรธมาวาทานติอายุวนโนโสุขังพาลั ง, ลงท่านที่มาที่หลังจะขึ้นมาก็ได้ต่มาถวายของจะมาหยิบนังเสือก็เชิญ มีใครอยากจะถามปัญหาอะไรไ้ยฟังเทศแล้วไม่เข้าใจตรงไหนอยากจะให้ขยายความให้ชัดเจนขึ้นก็ถามได้วันนี้มีคำถามทางเฟซบุ๊กก็ลบาไม่มี ลงไปแล้วใช่มั้ยลงไปหมดแล้วลงไม่ได้เมื่อคืน้วสารา น, นุนั่งฟังชัดชัดเหมรอเงี้ยเหยี่ยว <นะ S 2> เลยครับชั้นบวมนิ่งตังนี่นะบุญนี้เราต้องทำกันเองนะรอให้คนอื่นทำให้เราไม่ได้รอให้เวลาตายไปแล้วเขาส่งบุญไปให้เราอันนั้นเป็นเศษบุญ เป็นเหมือนเศษเงินที่เราให้ขอทานเวลาที่เราตายไปแล้ ว, ลวคนเขาทาบุญอุทิศไปเนี้ยเป็นบุญที่เขาอุทิศให้กับขอทานขอทานก็คือพวกที่เรียกว่าเป็นพวกเปรตเนี่ยคนที่อยู่แล้วตายไปอยู่เวลาอยู่ไม่ทําบุญทําแต่บาปเวลาตายไปก็จะไปเป็นเปรตไม่มีบุญต้องไปขอบุญจากคนนั้นจากคนนี้ แล้วถ้าญาติพี่น้องไม่เชื่อบุญยิ่งลําบากใหญ่เลยไม่มีคนส่งบุญไปให้ก็ต้องอาศัยคนอย่างหลวงตานี่มาชวนให้มาช่วยกันทําบุญออุทิศให้กับพวกเปรตเพราะว่าเปรตที่ไม่มีญาติก็มีไม่มีญาติที่เขจะช่วยส่งบุญไปนั่นก็จะชวนญาติโยมพี่น้อง ที่มิใจบุญทั้งหลายมาร่วมทำบุญกันให้อุทิศให้กับญาติสนิทม่สาายหรือให้แก่ผู้ที่ไม่มีญาติไม่มีพี่ไม่มีน้องส่งบุญไปให้เขาได้มีความสุขบ้างในช่วงที่เขายัางต้องใช้กรรมอยู่ในอบายเหมือนกับส่งเงินส่งทองส่งของไปให้คนที่ติดอยู่ในคุกในตารางนี่เอ พวกที่ไปเกิดในอบายนี้ก็เป็นเหมือนพวกที่ติดคุกติดตารางคุกก็มีหลายระดับระดับขังเดียวก็มีระดับขังรวมก็มีระดับแบบที่ปล่อยให้ทําอะไรมาทําอะไรได้ก็มีอยู่ที่โทษว่าหนักหรือเบาอยู่ที่ความประพฤติของนักโทษว่าอดีหรือไม่ดีฉันใดผู้ที่ไปตะ ผู้ที่ตายไปแล้วไปเกิดอันนั้นในอบายก็อย่างนั้นเป็นเดลฉานบ้างก็มีเป็นเปรตก็มีเป็นนรกก็มีพวกที่อยู่ในานารกนี่ส่งบุญไปไม่ถึงเขาไม่ให้ส่งไปเขาไม่ให้รับเขาจะให้ทุกข์เขาจะให้ทรมานเขาจะลงโทษให้เข็ดดาบนักโทษบางชนิดนี้เขาไม่ให้เยี่ยมเขาไม่ให้ส่งข้าวส่งของไปให้ถ้านักโทษประพฤติดีเขาก็จะ อนุญาณให้ญาตพี่น้องก็ไปเยี่ยมได้เอาข้าวเอาของไปให้ได้พวกเปรต น, นี่ก็เป็นเหมือนพวกที่อมีความประพฤติไม่ร้ายแรงเท่ากับพวกนรกนีก็ยังรับบุญส่วนบุญได้อถ้าเราไม่อยากจะไปเป็นเปรตเราก็ต้องทําบุญให้มากๆทาทานให้มากๆรักษาศีลให้ ไห้บริสุดอย่าทำบาปถ้าเรารักษาศีลได้ทำทานได้มากตายไปเราก็จะได้ไปรับรางวัลได้ไปท่องเที่ยวในโลกสวรรค์ในโลกทิพย์ได้ดูรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์เหมือนกับเราได้เดินทางไปท่องเที่ยวตามต่างประเทศ น, นี่คืออ น, นิสงส์ที่เกิดจากการสร้างทางบา ร, รมีสร้าง ศีลบาลมีถ้าสร้างได้มภีบารามีได้ก็จะได้ไปเที่ยวโลกที่ที่สวยที่ที่มีความสุขมากกว่าโลกของเทวดาก็คือจะได้ไปสู่โลกของผมโลกของพรมนี้จะมีความสุขมากกว่าความสุขของเทวดาหลายร้อยเท่าแล้วยิ่งถ้าได้เจริญปัญญาบารมี ก็จะได้ไปสู่โลกของพระอริยะเจ้าได้ไปสู่โลกของพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพาาาระอรหันยิ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าเพราะว่าเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมไม่หมดไปความสุขของโธมนี้ยังมีเสื่อมมีหมดไปเหมือนกับน้ำมันรถที่เราเติมไว้ในถังวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำมันก็จะหมดไป ถ้าไม่เติมอีกก็ต้องเดินไปถ้าเราทำบุญถึงขั้นพรหมนี้แล้วเราไปรับผลบุญของพรหมอบุญของพรหมหมดเราก็ตะองเลื่อนลงมารับผลบุญของเทพพอบุญของเทพหมดก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเติมน้ำมันใหม่กลับมาตามบุญใหม่แต่ถ้าเราขึ้นไปสู่บุญของพระอริยเจ้านี้ จะไม่เสื่อมลงมาจะมีแต่จะขึ้นไปเรื่อยๆจากขั้นโสดาบันก็จะขึ้นไปสู่ขั้นสกิทาคามีขั้นสกิทาคามีก็จะขั้นสู่ขั้นอนาคามีและขั้นอาราหันไปในที่สุดอันนี้ก็จากการทําบุญจากการรักษาศีลจากการเจริญภาวนานั่งสมาธิเจากการิญปัญญา เป็นหน้าที่ของเราเป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารที่เราจะต้องรับประทานเองคนอื่นรับประทานให้เราไม่ได้ถ้าเราอยากจะมีอนาคตที่ดีและปัจจุบันก็มีความร่มเย็นเป็นสุขมีความสบายอกสบายใจไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆ เราก็ต้องมีบุญเป็นที่พึ่งสร้างบุญบรารมีขึ้นมาให้มากๆสร้างเมตตาแผ่เมตตาให้ความสุขแก่ผู้อื่นอย่าคิดร้ายต่อผู้อื่นให้คิดดีพูดดีทําดีกับต่อผู้อื่นถึงแม้เขาจะร้ายกับเราเราจะไม่ถือโทษก oid เคลี่ยเราจะมองส่วนที่ดีของเขาคนเราทุกคนนี้มีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดี อย่าไปมองในส่วนไม่ดีเพราะจะทำให้เราคิดร้ายกับเขาทำร้ายเขาพูดร้ายกับเขาถ้าเรามองส่วนที่ดีเราก็จะคิดดีพูดดีทำดีกับเขาเช่นมองเขาว่าเขาก็เป็นพ่อเขาก็เป็นแม่เขาก็มีลูกเขาก็ต้องอดูแลลูกของเขาการดูแลลูกของเขาบางทีอาจจะทำให้เขาไปทำบาปไปเบียดเบียนผู้อื่น เราก็ต้องเห็นใจกันอย่าไปคิดร้ายกับเขาให้อภัยเขาส่วนเรื่องการลงโทษนี้ก็เป็นเรื่องของการลงโทษไม่ใช่หน้าที่ของเราจะไปลงโทษเขาถ้าเขาทำผิดกฎหมายก็มีเจ้าหน้าที่ของทางบ้านเมืองเขาจะต้องจับไปลงโทษเพราะถ้าไม่ลงโทษก็จะไม่เข็ดดาบหรือจะเป็นภัยต่อผู้อื่นต่อไปได้ แต่เราไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดเขาเท่านั้นเองเรื่องการลงโทษก็ต้องลงโทษไปเป็นการสั่งสอนเช่นลูกทําอะไรไม่ดีก็ต้องลงโทษถ้าไม่ลงโทษลูกก็จะไม่เข็ดดาบวิธีลงโทษก็มีหลายวิธีด้วยกันไม่ต้องทุบตีก็ได้เพียงตัดค่าขนมไปอาทิตย์หนึ่งก็ก็ลงโทษได้แล้วเขาก็จะเข็ดดาบถ้าทําอะไรไม่ดีอาทิตย์นี้ก็ไม่ต้องเอาเงินขนมไปตัดไป เ, เขาจะได้เห็นว่าการกระทําของเขานี้มีผลเสียหายตามมากับเขาเองถ้าเราไม่สอนเขาให้รู้จากเหตุจากผลรู้ว่าการกระทําของเขานี้มีผลอย่างไรเสียหายอย่างไรถ้าเราปล่อยเขาทําไปต่อไปเขาโตขึ้นก็ยิ่งจะทําทําทําเรื่องทำเราที่ร้ายแรงมากอาจจะต้องถูกไปจับขังคุกขังตารางหรือไป รับโทษประหารชีวิตก็ได้แต่ถ้าเขาได้รับการสั่งสอนไว้ก่อนว่าการกระทําบาปนี้ไม่ดีการกระทําผิดกฎหมายนี้ไม่ดีทําแล้วจะมีโทษตามมาเราทําเป็นตัวอย่างสอนเขาไปก่อนเขาทําไม่ดีเราก็ต้องลงโทษเขาอย่างนี้เขาก็จะเข็ดลาบจะไม่กล้าทําผิดจะไม่ทําบาปไม่กล้าทําบาปถ้าเราปล่อยไป กลัวลูกจะจะเจ็บจะไม่กล้าลงโทษเขาไม่กล้าว่าเขากลัวเขาจะโกรธจะเกลียดเราอย่างนี้เขาก็จะไม่รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้เชั่อแล้วต่อไปก็เขาก็จะไปทำผิดจะทำไม่ดีแล้วโทษก็จะเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นเราก็จะไปช่วยเขาไม่ได้เวลาตารวจมาจับเขาไปเข้าคุกเข้าตารางนี้เราไปห้ามตารวจไม่ได้ เห็นจําเป็นที่จะต้องการลงโทษจะต้องมีการสั่งสอนจะต้องมีแต่ไม่จําเป็นจะต้องทําด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาททาด้วยเพด้วยผลทําเพื่อให้เขารู้จักผิดถูกดีชั่วเพื่อที่เขาจะได้รักษาตัวเขาไม่ให้ไปทําผิดต่อไปเท่านั้นเองนีก็เรียกว่าเป็นความเมตตาเหมือนกันการดูกล่าวว่ากล่าวตักเตือนนี้ก็ถือว่าเป็นความเมตตา เพราะเราเล็งไปที่ผลที่จะเกิดตามมาก็คือประโยชน์ของเขานั่นเองถ้าไม่บอกเขาไม่ลงโทษให้เขาเขาจะไม่เข็ดหลับจะไม่จำแล้วต่อไปก็จะไปทำความผิดอีกแล้วทีนี้โทษก็จะเกิดขึ้นกับเขาดังนั้นเราอย่าไปเชื่อตามขดความคิดของขวดสนอยใหม่ว่าไม่ควรลงโทษเด็กไม่ควรห้ามเด็กไม่ควรสอนเด็ก ควรปล่อยให้เด็กทําตามว่ตามใจของเขาแล้วเขาจะเรียนรู้เองเด็กบางคนก็ไม่เรียนรู้เองเขาทําไปแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยเป็นสันดานไปโบราณเขาถึงมีคําพูดว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแต่สมัยใหม่นี้ก็ไม่ให้ตีลูกที่เขาไม่ให้ตีเพราะว่าคนที่ตีนี้ทําไม่ถูก ตีด้วยความโกรธทำตีด้วยอารมณ์ตีแบบเลยเถิดไปจนกลายเป็นการทรมานทำเป็นการทำลายร่างกายการตีแบบนี้ก็ไม่ควรก่อนจะตีตีให้เหมาะกับโทษของที่เขาทาตีเพื่อให้เขาได้สติให้เขารู้ว่ า, าทําผิดแล้วจะต้องรับโทษอย่างนี้เป็นตัวอย่างก่อนจะตีก็ต้องพูดต้องคุยกันอธิบายก่นว่าตีทาไม ให้เขารู้เหตุรู้ผลถ้าไม่ตีเขาก็ไม่เกิดลาบบอกเขาเฉยๆว่าอย่าทานะเดี๋ยวครั้งหน้าเขาก็จะทำอีกถ้าไม่ตีแล้วก็ต้องใช้การลงโทษวิธีอื่นเช่นห้ามไม่ให้ออกไปนอกบ้านในวันเสาร์วันอาทิตย์ให้อยู่บ้านให้อยู่บ้านอ่านหนังสือทำการบ้านไม่ให้เงิน ซื้อขนมแม่เงินซื้อของเล่นของที่ไม่จำเป็นเพื่อเขาจะได้รู้ว่าโอ้เวลาทำผิดแล้วจะมีโทษตามมาเขาจะได้ไม่อยากจะทำอีกถ้าเขาทำความดีเราอยากจะส่งเสริมการทำความดีเราก็ให้รางวัลเขาได้เช่นเขาเรียนดีเราก็ให้รางวัลเขาเป็นพิเศษอันนี้ก็เป็นการสอนให้รู้เหตุรู้ผล รู้คุนรู้โทษบิดามารดานี้เป็นเหมือนอาจารย์ของลูกๆลูกๆนี้เรียนจะเรียนจากพ่อแม่เป็นส่วนใหญ่พ่อแม่จึงควรให้ความสนใจต่อการอบรมสั่งสอนอย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นเพราะบางทีคนอื่นเขาก็อาจจะสอนไปในทางที่ผิดได้ นี่กอเรื่องของการศึกษาพวกเราทุกคนนี้ยังต้องศึกษากันอีกมากเพราะว่าการมาเกิดนี้ก็แสดงว่าเรายัางศึกษาไม่พ อ, อยังหลงทางกันอยู่คนที่ไม่ต้องสอนก็คือคนที่ไม่ต้องกลับมาเกิดนี้เท่านั้นแสดงว่าเขาไม่หลงทางเพราะว่าทางที่เรามานี้เป็นทางของความทุกข์นั่นเองเป็นทางที่ ตรงกันข้ามกับความปรารถนาของพวกเราพวกเราปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่เราก็กลับมาหาความทุกข์อยู่เรื่อยๆม า, าความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดม า, าความทุกข์ที่เกิดจากการแก่การเจ็บการตายกจากการพัดพากจากกาันจำแล้วจำอีกพอตายจากชาตินี้ไปชาติหน้าก็กลับมาเกิดใหม่อีกมาทุกข์ใหม่อีก ก็เพราะเราไม่ได้ศึกษาถึงวิธีที่จะยุติการกลับมาเกิดนันเองวิธีที่จะหยุดหยุดการกลับมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากต่างๆเพราะความอยากต่างๆนี้เป็นเหมือนน้ำมันที่เราคอยเติมใส่รถถ้ารถมีน้ำมันมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆถ้าอยากจะให้รถมันไม่วิ่งก็หยุดเติมน้ามันพอน้ำมันหมดสุดท้ายในถังหมดแล้วมันก็วิ่งไปไหนไม่ได้ ความอยากก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราเติมความอยากไปเรื่อยๆทำตามความอยากไปเรื่อยๆจิตมันก็จะมีเชื้อของภพชาติไปเรื่อยๆเชื้อของการมาเกิดไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดความอยากไม่เติมความอยากเวลาอยากก็ไม่ทำตามความอยากเข้าสมาธิาไปทำใจให้สงบให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาความอยากก็จะหยุดไป พอเกิดขึ้นมาทีไรก็หยุดมันหยุดด้วยสมาธิหยุดด้วยปัญญาต่อไปความอยากก็จะหมดไปไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็ต้องไม่มาเกิดถ้ายังมาเกิดก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ที่มาเกิดเพราะมีความอยาก ที่มีความอยากก็เพราะว่ามันมีความทุกข์พอเกิดความทุกข์ก็คิดว่าทำตามความอยากแล้วจะหายทุกข์ก็หายเดี๋ยวเดียวแต่ความอยากไม่หายเดี๋ยวความอยากก็กลับคืนมาใหม่ถ้าอยากจะให้ความอยากหายก็ต้องทนทนทุกข์ไปเวลาเกิดความอยากอย่าทำตามความอยากให้มองเห็นความอยากว่าเป็นเหมือนงูพิษอย่าไปอย่าไปแตะอย่าไปต้องมัน เลยเป็นเหมือนยาพิษอยากไปกินมันถ้าเห็นความอยากเป็นยาพิษเราก็จะไม่กล้าอยากพอไม่อยากแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาไม่มีภพชาติตามมาดัางนั้นเขาให้เราพยายามศึกษาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราจะลืมฟังหนเดียวแล้วเดี๋ยวก็ลืมเวลาไปทำน่นเนื่องทานั่นทํานี้ก็ไปทำตามความอยากเหมือนเดิมเอง เดี๋ยวออกจากที่นี่ไปก็อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดื่มอยากจะรับประทานก็ทําตามทันทีแต่เที่ยวออกจากที่นี่ไปแล้วต่อไปนี้จะไม่ทําตามความอยากนอกจากความจําเป็นถ้าจะดื่มจะรับประทานก็ต้องมันเป็นเวลาของมันถึงเวลา ถ, ถึงจะดืะ่มถึงถึงจะรับประทานเหมือนดื่มยารับประทานยาอย่างนี้อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความอยากทําไปตามความจําเป็นเหมือนกับหายใจ ต้องหายใจไม่ได้อยากหายใจแต่มันต้องหายใจถ้าอยากจะให้ร่างกาย น, นี้อยู่ก็ต้องหายใจถ้าจะรักษาให้ร่างกาย น, นี้อยู่ต่อไปก็ต้องดืง่มต้องรับประทานแต่ไม่ต้องรับไม่ต้องดืง่มวับประทานตามความอยากดื่มตามเวลาตามความต้องการของร่างกายถ้าจยากจะดื่มอยากจะอะไรขึ้นมาก็อย่าเพิ่ไงไปดื่มถามตัวเองว่าถึงเวลาดื่มถึงเวลารับประทานหรืยอยังอันนี้ก็คือวิธีกาจัด ความอยากในการการเดินการรับประทานแล้วเราจะได้เอดื่มรับประทานพอประมาณพอกับความต้องการของร่างกายไม่ดื่มไม่รับประทานมากเกินเกินไปจนกลายเป็นโทษแก่ร่างกายะแทนที่จะเป็นคุณกับร่างกายก็กลับกายเป็นโทษน้ําหนักเพิ่มน้ําหนักเกินมีโครคภัยไข้เจ็บตามมา น้ำหนักเพิ่มเนี่ยอายุมากเข่าจะเสื่อมจะลําบากจะเจ็บหัวเข่าจะเดินไปไหนมาไหนลําบากจะลดน้ําหนักก็ลดไม่ไหวเพราะสู้ความอยากไม่ไหวเพราะเวลาอยากแล้วไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานมันทรมานมากก็เลยต้องดื่มพอดื่มรับประทานแล้วก็ต้องมาทุกข์ทรมานกับการเจ็บหัวเข่าเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย เพรเราสู้ความอยากไม่ได้ไม่มีเครื่องมือถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาแล้วเราจะสู้กับความอยากได้เพระาะฉนพยายามสร้างสมาธิสร้างปัญญากันขึ้นมาด้วยการทํำทามก่อนรักษาศีลไปก่อนทํำทานรักษาศีลได้แล้วก็จะรักษาก็จะภาวนาได้จะนั่งสมาธิได้จะเจริญปัญญาได้ จะเห็นโทษของความอยากได้จะเห็นว่าความอยากนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตจิตใ จ, จต่อร่างกายและจิตใ จ, จของเราขอเอาไปทำกันนะอะันนี้ลอะอาจารย์ครับจริงหรือไม่ครับที่ การจะอุทิศผลบุญให้ผู้ที่อยู่ในนรกเนี่ยจะต้องใช้วิปัสสนาภาวนาเท่านั้นไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้านี้ไม่สามารถอุทิศบุญให้กับเทวทัศน์ได้เทวทัศนตายไปตกนรกนี้มีผู้ที่จะรับบุญอุทิศได้ก็เพียงพวกเปรตรีเท่า น, นั้นเองที่อยู่ในฐานะที่จะรับบุญอุทิศได้พวกอื่นนี้เขารับไม่ได้เป็นเทวดาเขาก็ไม่ต้องรับไม่ต้องมารอรับเศษเงินเศษบุญ เขามีบุญมากก็เป็นเศรษฐีบุญพวกเดรัจฉานเขาก็หากินของเขาได้เดรัจฉานเขาก็อยู่ทำมาหากินของเขาไปพวกเปรต น, นี้ท่านั้นที่หากินเองไม่ได้ต้องรองรับส่วนบุญพวกพวกที่อยู่ในรถ ก, กอ็อยู่ในนรถ ก, ก็เหมือนพวกที่อยู่ในกองเพลิงอันนั้นก็จะมีแต่ไฟเผาอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถที่จะออกมารับอรับบุญที่เขาส่งไปให้ได้ยห็งถ้าไม่อยากจะไปเป็นเปรตไม่อยากจะไปตกนรกไม่อยากไปเกิดเป็นยนานชานก็อยากไปทำบาปเท่านั้นเองรักษาศีลห้าข้อนี้ให้ได้ถึงแม้จะไม่ได้ทำบุญก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่ถ้าทำบุญไม่ทำบาปตายไปก็ไปเป็นเทวดาก่อนไปเที่ยวก่อนไปท่องเที่ยวจนสุขสบายแล้วอิ่มหนำสําราญใจแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเก่าเพราะมีบุญส่งมาเกิดมาเกิดก็มีรูปร่างหน้าตาดีกว่าฐานะการเงินการทองดีกว่าอสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่พิกที่การไม่หูหนวกตาบอด ตางกับพวกที่ถูกบาปส่งกับมาเกิดพวกที่ไปใช้กรรมในอบายแล้วพอมาเกิดใหม่นี้ก็จะเกิดเร็วกว่าเดิมรูปร่างหน้าตาก็เร็วกว่าเดิมการเงินการทองก็เร็วกว่าเดิมร่างกายก็บางทีก็ไม่ครบอาการสามสิบสองพิกลพิการรูปร่างหน้าตาไม่สวยไม่งามอันนี้ก็เป็นอนิสงส์ของการที่ไปทำบาปแล้วไปใช้กรรมในอบายพอหมด บนบาปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ส่วนพวกที่ไม่ทำบุญไม่ทำบาปตายไปก็กลับป่าเหมือนเดิมเคยเป็นยังไงกลับมาก็เป็นเหมือนเดิมแต่น้อยคนที่จะอยู่ไม่ทำบุญไม่ทำบาปนีน่คงจะไม่มีจะมีอยู่ว่าทำบุญมากกว่าบาปหรือทำบาปมากกว่าบุญถ้าทำบาปมากกว่าบุญก็ต้องไปอาบายถ้าทำบุญมากกว่าบาปก็ไปสวรรค์ไปสุคติ พอบุญกับบาป ม, มีกำลังเท่ากันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยการเวียนว่าตายเกิดครับเว่าก็เป็นอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆแล้วแล้วบทลงโทษของผู้ที่ชอบปามาศพระสง่งแล้วบางครั้งลามไปถึงพระพุทธศาสนาเนี่ครับบทลงโทษเนี่ยเขาหนักหนาสาหัสแค่ไหนครับพระอาจารย์ ถ้าทาให้สูงแตกแยกทําให้ทําลายศาสนาก็ถือว่าเป็นอนันตวิยกรรมไนดะ้โทษเท่ากับการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพออาระอรหันต์ทำบ่พระพเจ้าให้ห้าเลือดผู้ที่ทําลายพระศาสนาเพราะพระศาสนานี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อสัตว์โลกผู้ที่ไปทําลายสิ่งที่มีคุณค่าต่อสัตว์โลกก็เป็นผู้ที่ทําลายจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายะ เหมือนกับไปฆ่าสัตว์โลกโดยทาง อ, อง้อมทำให้เขาไม่มีที่พึ่งต่อไปถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วเวลาเรามีความทุกข์ใจเราจะไปพึ่งอะไรเราก็จะทำแบบคนที่ไม่มีศาสนาก็จะฆ่าฟันกั น, เ ป, นเป็นหลักกันโลกที่ไม่มีศาสนาจะเป็นโลกของที่มีแต่ความทารุณโหดร้ายมีแต่ความหวาดกลัว อยู่กันแบบไม่มีความสุขกันอยู่แบบตกนรกทั้งเป็นนั่นคือโลกของที่ไม่มีศาสนาผู้ที่ทำายศาสนาก็จะต้องไปตกนรกอยู่แบบนั้นดั้เราจะพูดอะไรเราต้องระมัดระวังท่านบอกว่ า, าอย่าพูดเพ้อเจออย่าพูดคำหยาดอย่าพูดให้เกิดความแตกแยก อย่าพูดความความไม่จริงอย่าพูดอะไรให้พูดความจริงพูดด้วยวาจาที่สุภาพพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดเพื่อให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่าไปพูดให้เกิดความเสื่อมเสียเกิดการทาลายทาร้างกันทาลายล่างกันพูดให้เกิดความรักความสา ม, มากกัคคีกันแล้วเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขกัน ถ้าเราพูดให้เกิดความแตกแยกก็จะไม่มีความสุขทั้งสองสองสองฝ่ายต่างฝ่ายก็ต่างมีความทุกข์ความวุ่นวายใจบางคนบอกว่าติดตามข่าวบ้านเมืองแล้วบางทีเครียดนอนไม่หลับตอนหลังนี้เลยไม่ติดตามมันเลยไม่อยากไปยุ่งไม่อยากจะไปรับรู้มันเพราบ้านเมืองแตกแยกแล้วก็ทำให้ไม่สบายใจ ยันอย่าไปสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นพยายามสบานความรักความสมามัคคีกันไว้อย่างในหลวงพูดอยู่เรื่อยๆว่าให้รู้รักสามคัคคีให้รักสามัคคีกันอย่าไปรักความแตกแยกถ้าจะพูดแล้วเกิดการทะเลาะวิวากันก็ให้หยุดพูดให้ถือหลักว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร พอหยุดแล้วปัญหาก็จะหมดไปอตบมือข้างเดียวจะไม่ดังถ้าเราไปพูดกับสาวเพื่อพูดมันสาวไม่ตอบโต้เราพูดไปสักพั ง, งเดี๋ยวเราเหนื่อยแล้วก็หยุดพูดเองใครเขาพูดอะไรถ้าเราเน่งเฉยๆไปไม่ไม่ตอบโต้อะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเขาก็หยุดพูดไป เ, เรื่อง ก, จก็จบไม่มีเรื่องราวไม่มีปัญหาถ้าเขาพูดคําเราตอบกลับไปคําเดี๋ยวก็โต้เดี๋ยวก็กลายเป็น จากคำพูดก็เป็นการลงไม้ลงมือกันไปจากลงไม้ลงมือก็ลงมีด ล, ล, ลงดาบกันเห็นต้องสมวลส่วนต่างประสานส่วนเหมือนนี่เป็นสุภาษิตของนักบลัดอย่าเอาส่วนต่างมาคุยกันคุยกันแล้วมันก็จะแตกแยกกันเอาส่วนเหมือนมาคุยกันว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นพืวนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน เรามาอยู่มาอยู่หาความสุขร่วมกันดีกว่าเราไม่ต้องมาแข่งแย่งกันเพราะสิ่งที่เราต้องการนั้นมีพอเพียงสำหรับทุกคนถ้าเราไม่มีความโลภแล้วปัจจัยสี่นี้พอเพียงสำหรับทุกคนปัญหาคือเรามันมีความโลภแล้วไม่สามารถหยุดความโลภได้คิดว่ามีมากกว่าปัจจัยสี่แล้วจะทำให้มีความสุขมากขึ้นมันไม่มีหรอก ความสุในโลกนี้มีแค่เพยียงแค่ปัจจัยสีเท่านั้นี้ถ้าคุณไปหลงป่าแล้วไปเจอกล้วยหยีหนึ่งกับทองกองหนึ่งคุณจะเอาอะไรจะเอาทองหรือจะเอากล้วยอ่านั่นแหละสคนที่มีปัญญาก็จะเห็นจัดเลยว่ากล้วยมันสำคัญกว่าทองปัจจัยสีมันสำคัญกว่าควา ม, วมาาาร่ำรวยมหาศาลมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านมันมีประโยชน์อะไร มันก็อย่างมากก็ได้แค่ซื้อปัจจัยสี่มาเท่านั้นเองซื้อความสุขอย่างอื่นไม่ได้สิ่งต่างๆที่เราซื้อมานี้เป็นความทุกข์จังนั้นซื้อมาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับมันซื้อลดมาก็ต้องมาทุกข์กับรถถ้าซื้อลถมาสิบคันจะทําไงก็ต้องสร้างอู่จอดรถอีกสิบให้รถอีกสิบคันจอดแล้วก็ต้องหาคนมาขับก็จอดไว้เฉยๆเดี๋ยวมันก็เสีย อ, อีก แต่คนคนโง่มันจะไม่คิดจะคิดว่าอยากได้อะไรแล้วซื้อได้ทําตามความอยากแล้วจะมีความสุขไม่มาคิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปเป็นคนเราถ้าไม่หลงแนละ้วโลกนี้อยู่กันอย่างมีความสุขเพราะมีของเหลือเฟือปัจจัยสี่เหลือเฟือไม่ต้องมีอะไร ทำใจให้สงบดีกว่ามาสวมดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมกันมีนความสุขกวา่าการใช้เงินใช้ทองไปเที่ยวไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆมาเราต้องหยุดความอยากกันหยุดด้วยการทำทานอยากจะซื้อของกาเงินซื้อของนี้ไปซื้อไปทำบุญแทนอยากไปเที่ยวกาเงินไปเที่ยไปเที่ยวนี้ไปทำบุญแทน ทำแล้วก็มีความจิ้มอิ่มใจสุขใจอยู่บ้านได้อยู่วัดได้อยู่เฉยๆได้แล้วก็จะมีมีศีลจะมีความเมตตาจะไม่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นคนที่ชอบทําบุญจะไม่ชอบทาบาปพรเห็นชัดเลยเวลาทําบุญกัทบทําบาปเป็นผลต่างกับทางจิตใจทําบุญแล้วใจเย็นสบาย ท, บาทําบาปแล้วใจร้อน ใจทุกข์ดังนั้นพยายามเอาเงินที่จะไปเทีย่ยวไปซื้อของฟุง่งเฟยต่างๆมาทำบุญทำที่ไหนก็ได้ทำที่วัดก็ได้ทำที่บ้านก็ได้ทำกับพ่อกับแม่ก็ได้พ่อแม่ก็เป็นพระเหมือนกันเป็นพระของพ่กเราทำกับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเหลือนร้อนก็ได้ทำกับหมาก็ได้ทำกับแมวก็ได้ ไปสร้างโรงเลี้ยงหมาไว้ชักโรงก็ได้หมาจรจัดมันจะได้มีที่อยู่อาศัยโรงเลี้ยงหมาเลี้ยงหมากำพาเราเลี้ยงเด็กกำพ้าได้ทำไมเราเลี้ยงหมากำพาไม่ได้เสื้อที่รักสิบไล่จัดคอนโดให้มันอยู่กันลป็นัก <c oughs> อาจารย์ครับสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติดีนะครับรวมถึงอาจจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือบรรลุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยนะครับผู้นั้นเนี่ยหากปรารถนาสิ่งใดหรือต้องการสิ่งใดถ้าหากเป็นไปนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือพุทธศาสนาเนี่ยครับแม้จะเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็มัจกจะประสบความสําเร็จจริงหรือไม่ครับมีสิ่งใดช่วยเหลือไหมครับอาจารย์ คนทําดีย่อมมีคนดีมีย่อมมีเทวดาคุ้มครองอ น, นิสงค์ของผู้มีความเมตตานี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคนทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนี้ถือว่าเป็นคนดีคนที่มีความเมตตาหนึ่งในของอ น, นิสงค์ของความเมตตาก็คือจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ถ้าเทวดาเขารู้ว่าเรากรรขาดแค่อะไรเขาก็จะไปเข้าฝันให้คนนู้นคนนี้มาทำบุญเลยก็ได้อยู่ดีๆคนนั้นตื่นขึ้นมาก็อยากจะไปทำบุญที่วัดนั้นที่ทรงนั้นทันทีเพราะเทวดาเขาก็จะชอบคนดีเองขอให้เราทำดีแล้วเจ้าพระจะคุ้มครองเทวดาจะคุ้มครองจะตกตกน้าแม่ไหลตกไฟไม่ไหม ถ้ามันไม่เป็นเรื่องของอูบาสหรือเรื่องของวิบากกรรมถ้าเป็นเรื่องของวิบากกรรมนี้เทวดาก็ช่วยไม่ได้บุญบุญกุศลที่เราทำมานี้ก็ช่วยไม่ได้มันต้องใช้เป็นพระอาหารหันต์ก็ยังต้องใช้บาปใช้กรรมอยู่อันนี้เราต้องแยกแยะว่ามันเป็นสองส่วนส่วนของบุญแนละส่วนของบาปเวลามันส่งผลแล้วก็ไม่มีใครที่จะมายับยั้งมันได้ เวลาบุญมันจะเกิดก็ไม่มีใครไปห้ามมันได้เวลาบาปมันจะเกิดผลของบาปจะเกิดก็ไม่มีใครไปห้ามมันได้แต่คนที่มีธรรมะจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนกับผลของบุญหรือผลของบาปจะทาใจเฉยได้เป็นอุปเบกขาได้ก็พระบางลูปนี้ท่านไม่มีวาสนาไม่บุญไม่มีบุญเก่าท่านก็ไม่มี ไม่มีผู้สนับสนุนไม่มีอนิสง์ของทานบารมีแต่บางองค์นี้ท่านสร้างทานบารมีมาอย่างมากเช่นพระศิวลีนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นลองพระพุทธเจ้าในเรื่องการสร้างทานบารมีเวลาที่จะไปมีพระไปไหนกันเยอะๆไปที่ไกลที่กันดา น, นี่จะเอาพระศิวลีไปด้วยเพราะไปแล้วจะไม่อดอยาก พนะอาจั้ยแต่และรูปนี้ท่านบําเพ็ญบารมีมาไม่เท่ากันบางบางองค์ท่านก็บําเพ็ญทานบารมีมาน้อยท่านก็จะไม่ค่อยมีลาบสักกาละบางองค์ท่านเคยบําเพ็ญทานบารมีมามากท่านก็จะมีสักการะลาบสักกาละมากอย่างเช่นในปัจจุบนันนี้หลวงตานท่านได้บําเพ็ญทานบารมีมามาก อันนี้สองของทานบารมีของท่านยังนําให้ท่านมีลาบสักการะมากกว่าเศษของหลวงปู่มั่นทุกๆองค์อันนี้ก็เป็นเรื่องของบารมีแต่ละองค์ยังขอให้เราทามากๆ ก, ก็แล้วกันถ้าอยากจะได้ผลมากๆก็ทำให้มากๆอย่าเสียดายอย่าเอาไปซื้อของที่ไม่ได้เกิดบารมีขึ้นมา เกิดความทุกข์ขึ้นมาซื้อา่าแล้วก็ตํา ม, มาหวงมาห่วงมาเสียดายเสียใจเวลามันหายไปเอาไปทำบุญดีกอเป่าไปสร้างบารมีทำให้เราเป็นที่รักของผู้อื่นของเทพของมนุษย์เวลาเราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเขาจะยื่นมือทันมาทัานทีเลยเวลาเรามีเงินเนี้ยเราอยากจะให้ใครเราต้องนึกถึงใครก่อน เราต้องนึกถึงคนที่เขามีบุญคุณกับเราก่อนใช่ไหมถ้าเราไม่มีบุญคุณกับเขา<ๆ>เ็าจะนึกถึงเราหรเปล่าดันั้นสร้างบุญไว้เยอะๆสร้างบุญสร้างคุณไว้แต่อย่าไปอย่าไปเรียกร้องอย่าไปทวงบุญทวงคุณเท่านั้นเองสร้างไปแล้วพอถึงเวลาบุญคุณเหล่านี้มันจะกลับมาหาเราเองอเวลาเราตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบ น, น จะมีคนยื่นมือเข้ามาดูแลมาช่วยเหลือเราอย่างต่อเนื่องถ้าเราไม่สร้างไว้มันก็จะไม่มีเหมือนถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้ไว้ไม่ปลูกต้นผลไม้ไว้ไม่ปลูกมะม่วงไม่ปลูกมะละกอไม่ปลูกกล้วยไม่ปลูกสับปะรดถึงเวลามันก็จะไม่มีกล้วยไม่มีผลไม้ออกดอกออกผลให้เราแต่ถ้าเราปลูกมันไปเรื่อยๆปลูกต้นไม้ปลูกต้นมะม่วงต้น ผลผลละไม้ปลูกมันไปเรื่อยๆไม่สนใจว่ามันจะออกดอกออกผลหรืยอยังขอให้ปลูกไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงเวลามันจะออกโอ้มันออกมาแบบรับไม่ไหวเนี่ยเราต้องสร้างเหตุอย่าไปรอผลผลมันไม่เกิดถ้าไม่มีเหตุผลมันเกิดจากเหตุเหตุก็คือการสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆนี่สร้างเมตตาบา ร, รมีสร้างทานบา ร, รมี สร้างศีลบารมีสร้า ง, า ง, รรางในตัมมะรรมบามีบา ร, รมีเหล่านี้มีมีผลต่างกันทานบา ร, รมีก็จะทำให้เรามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเยอะแยะศีลศีลบา ร, รมีก็จะทำให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายเมตตามะกรรมบามีก็จะทำให้เราปฏิบัติธรรม ท, ทาใจให้สงบทาใจให้เป็นพรหมได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมได้ ถ้าสร้างปัญญาบาลีก็จะทําให้เราไปเกิดบนมรรคผลนิพพานสวรรค์ชั้นมรรคผลนิพพานได้แล้วแต่เราต้องการอะไรแต่มันต้องไต่ไปทีละขั้นข้ามขั้นไม่ได้ไม่ใช่อยากจะได้นิพพานก็เลยไปปัญญาอย่างเดียวทานก็ไม่ทําศีลก็ไม่รักษาละไม่ขมมะก็ไม่เจริญอย่างนี้ไปปัญญาก็ปัญญาแบบเอ รู้แต่ทําอะไรไม่ได้อย่างคนสมัยนี้ศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาอภิธรรมกันแต่ไม่ยอมทําทานไม่ยอมรักษาศีลไม่ยอมเข้าวัดปฏิบัติธรรมไม่นั่งสมาธิไม่ทําใจให้สงบจะบอกจะใช้ปัญญาอย่างเดียวใช้ไปก็ไม่หยุดความอยากไม่ได้ดับความทุกข์ใจไม่ได้เพราะไม่มีกําลังกําลังจะเกิดก็ต้องเกิดจากทานจากศีลจากสมาธินี้ถึงจะมีกําลังที่จะหยุด ความโลภความโกรธความหลังความหลงหยุดความอยากต่างๆได้อย่างตอนนี้เรามาฟังเทศฟังธรรมเราก็ได้ปัญญานะแต่ปัญญาที่เกิดจากการฟังนี้ไม่มีกำลังที่จะไปหยุดความอยากได้ดับความทุกข์ได้หรือปัญญาที่เกิดจากการคิดด้วยเหตุด้วยผลก็หยุดไม่ได้หรือหยุดก็หยุดได้เดียวเดียวหยุดได้ชั่วคราวเดียวมันก็กลับเกิมาใหม่ กาอยากจะหยุดอย่างท้าวรนนี่ต้องมีทานมีศีลมีสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนแล้วก็จะดับได้อย่างถ้าวรายต้องอย่าไปเลือกว่าจะเอาแต่ธรรมะอย่างนั้นธรรมะอย่างนี้จะเอาแต่ปัญญาจะไม่เอาสมาธิจะไม่รักษาศีลจะไม่ทำทานเลือกไม่ได้ เหมือนกับเรียนหนังสือว่จะไปเรียนมาหาลัยเลยจะไม่อยากจะเรียนอนุบาลจะไม่เด็กเรียนปหนึ่งไม่อยากจะเรียนมหกองนี้ไม่ได้ต้องเรียนไปตามขั้นของมันต้องก้าวขึ้นไปมันเป็นขั้นบันไดบางคนที่เขาไม่ต้องทำพวกนี้ก็เพราะว่าชาติก่อนเขาทามาแล้วชาติก่อนเขาทําทานมาแล้วรักษาศีลมาแล้วมีสมาธิแล้วพอเกิดมาก็บวชได้เลยพอมีอายุครบยี่สิบก็บวชได้เลย อย่างนี้แสดงว่าเขาทำทานมาแล้วมีรักษาศีลได้แล้วนั่งสมาธิได้แล้วพอฟังเทศฟังธรรมก็บรรลุได้เลยอย่างนี้ก็มีเราก็ต้องดูแต่ละก่อนว่าเราอยู่ในขั้นไหนเราทำทานได้หรือเปล่าเราสละทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองได้หมดหรือเปล่าไปบวชได้หรือเปล่า ถ้ายังทำทานนักษาศีลสละทรัพย์ไม่ได้ไปบวชไม่ได้แล้วจะมาเจริญปัญญาแล้วมันจะได้อะไรก็ได้แต่ความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดความรู้แบบใบลานเปล่าไม่สามารถเอามากำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆภายในใจให้หมดไปได้การทำทานนี้ก็กำจัดความโลภความอยากในทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง การรักษาเสียง่ายกำจัดความอยากที่จะทำบาปทำกรรมต่างๆการภาวนาก็ทำใจให้สงบให้นิ่งเป็นอุเบกขาถ้าทำเหล่านี้ไม่ได้แล้วจะไปใช้ปัญญาหยุดความโลภความโกรธหยุดหยุดความอยากได้อย่างไรฟังนี้เข้าใจไหมหรือฟังแบบฟังไปอย่างนั้นเนะ่ย คำถามยอดยนิยมครับอาจารย์อผู้ที่ทําบุญเนี่ยมักจะตั้งคำถามว่าบุญที่ทําไปเนี่ยแล้วเมื่ อ, อไหร่ผลของบุญนั้นจะส่งกลับมาที่ตนครับพระอาจารย์สง่งทันทีเลยเนี่ยทําเดี๋ยวนี้ก็ได้แล้วเนี่ยความสุขใจก็คือบุญเนี่ยเขาไม่รู้ว่าบุญคืออะไรกันเขาคิดว่าบุญคือเงินทองทรัพย์สมบัติที่จะกลับมาหาเขาสิ่งดีๆต่างๆที่จะกลับมาหาเขา สิ่พวกนี้ไม่สำคัญไม่มีอะไรดีเท่ากับความสุขใจทำแล้วมีความสุขใจดับความทุกข์ใจได้ไม่ดีเหรอเช่นตอนนี้ไม่สบายใจพอมาทำบุญปั๊บหายทุกเลยอย่างนี้ไม่ดีนะเพราะนั่นแหละคือบุญคือผลที่เกิดจากการทำทานการให้เพื่อดับความทุกข์ใจดับความไม่สบายใจเพื่อสร้างความสุขใจความสบายใจขึ้นมาเท่านั้นเองส่วนผลอย่างเอื่นนี่เป็นเนของแถม เหมือนกับเราไปเตาเน้ํามันรถนี่บางปั้มเขาก็แจกผ้าเช็ดหน้าบางปั้มเขาก็แจกปากกาดินส อ, อ, อของพวกนี้ได้ก็ได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เสียหายทางไหนใช่ไหมเพราะสิ่งที่เราต้องการก็คือน้ํามันใช่ไหมการทําบุญเราก็ต้องการน้ํามันของใจน้ํามันของใจก็คือความสุขใจดังนั้นจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจของเราว่าเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจมากน้อยเป็นไง ถ้าให้ด้วยความไม่บรยสุดยังอยากจะได้ของตอบแทนอยู่อันนี้มันก็จะไม่สุขใจเท่ากับการให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเช่นปิดทองหลังผ้ากับปิดทองหน้าผ้าอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันปิดทองหลังผ้าเขาว่าได้บุญมากกว่าเช่นบริจาคเงินแล้วต้องให้เขาประกาศชื่อหรือเปล่านั่นแหละถ้าประกาศชื่อนี่แสดงว่าไม่บริสุทธิ์ใจแล้วอยากมีหน้ามีตา อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าเราเป็นคนใจบุญสุนทานเนี่ยอันนี้ก็ไม่บริสุทธความสุขใจก็ไม่เกิดไม่เกิดกันน้อยเวลาก็ไม่ประกาศชื่อหรือแล้วประกาศชื่อผิด น, น่อ ย, อยเสียใจ <c oughs> นเข้าใจไหมทำบุญปั๊บได้ผลทันทีทําบาปปั๊บก็ได้ผลทันทีทําบาปปั๊บใจก็ร้อนขึ้นมาทันทีทุกข์ขึ้นมาทันที ทำบุญปั๊บก็เย็นทันทีสบายใจทันทีอันนี้แหละคือผลที่เราต้องการส่วนผลอย่างอื่นนี่จะตามมานั้นมันไม่สําคัญได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นปัญหาเลยทําบุญแล้วก็จะขอบใจหรือไม่ขอบใจก็จะประกาศชื่อเราไม่ประกาศชื่อก็เรื่องขงเขาอย่าไปอยากถ้าเกิดก็จะประกาศแล้วอย่าไปอย่าไปห้ามเขาก็ไม่ดีครับเพราะถ้าไปอยากให้เขาไม่ประกาศพอเขาประกาศก็จะไม่สบายใจครับ พระอาจารย์หมายถึงหมายความว่าบุญคือความสุขบาปกรรมบาปคือความทุกข์ดังนั้นถ้าเกิดว่าเกิดความทุกข์ในใจขึ้นมาเมื่อไหร่กรรมบาปเกิดทันทีใช่ไหมครับโดยที่ยังไม่ได้ไปทําอะไรใครใช่ไหมครับทําแล้วไม่ใช่เหรอไปเอาไปครับไปขโมยเงินเข้ามาแล้วนี่เป็นยังไงนี้นี้นี้ไปนอนกับคนอื่นอย่างเงี้ยนี้มียไปนอนกับคนอื่นเนี้ย นอนเสร็จแล้วมันเป็นยังไงมันสบายใจหรือมันทุกข์ใจแล้วถ้เกิดจากความทุกข์ที่แบบนั่งนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็เกิดก็เครีย์ขึ้นมาเองคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ครับราอาจารย์อนนี้มันความทุกข์อีกระดับหนึ่งอันนี้ความทุกข์เกิดจากความอยากก็ต้องหยุดความอยากด้วยปัญญาด้วยสมาธิเอความทุกข์มันมีหลายระดับไงถ้านั่งไปแล้วมัน ทุกเนี่ยอยากจะขยับตัวเนี่ยก็ต้องใช้สมาธิใช้ปัญญามาหยุดมันหยุดความอยากพอหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่อยากจะลุกขึ้นก็จะหายไปก็จะนั่งต่อได้พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนการสร้างบุญหลายระดับด้วยกันทานก็ระดับหนึ่งศีลก็ระดับหนึ่งภาวนาก็อีกระดับหนึ่ง อ, อยู่ที่ว่าเราต้องการจะดับความทุกข์อยากจะได้ความสุขในระดับไหน ระดับง่ายที่สุดก็คือทานทำทานแล้วก็สบายใจในระดับหนึ่งแต่ความอยากยังไม่หายไปยังยังเกิดความทุกข์จากความอยากได้อย่างเงี้ยถ้าอยากจะหยุดความอยากก็น้องนั่งสมาธิให้ได้พุโทโธพุทโธให้ได้อย่าไปคิดอะไรอย่างนี้ความอยากก็จะเกิดไม่ได้พอความอยากไม่เกิดก็อยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องดิ้นลนออกไปข้างนอกบ้าน ออกบ้านออกนอกบ้านก็ติดรถรถติดก็บ่นกันอุบอับอยู่บ้านแสนจะสบายกับอยู่กันไม่ได้ต้องออกไปออกไปนรกกันออกไปหาความทุกข์กันหาความทุกข์บนท้องถนนกันเราอยู่บันไม่เห็นต้องออกไปไหนเลยเพราะไม่มีความอยากถ้าไม่มีความอยากก็อยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ในปาในเขาเนี่ยก็สบาย ไม่มีไฟฟองไฟฟ้าไม่มีอะไรก็อยู่ได้ถ้ามีความอยากก็อยู่ไม่ได้ให้อยู่คืนหนึ่งก็อยู่ไม่ไหวแล้วบางคนมาอยู่ได้แค่สองทุ่มก็ขอกลับบ้านแล้วนอกจากไม่นอกจากสู้ความอยากไม่ได้งสู้ความกลัวไม่ได้คิดอะไรบ้ารอคอแตกไปหมดเห็นอะไรเป็นผีเป็นอะไรไปหมด เอานั่งห้อยเท้าก็ได้ไปนั่งห้อยเท้าเอาสังขาก็เป็นอย่างนี้เลยนี่ยพวกเรานุ่มหนุ่มสาวสามองไว้เนี่ยนี่คืออนาคตของพวกเราดีดีอยู่รีบมาซะต่อไปก็จะต้องเป็นอย่างนี้พราเจ้าให้คิดถึงความแก่อยู่เรื่อยว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาเราพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ร่วงพ้นความเจ็บไายได้ป่วยไปไม่ได้เราคิดอย่างนี้แล้วจะได้ไม่ประมาทนอนใจจะได้รีบสร้างที่พึ่งขึ้นมาเพื่อที่เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายจะได้ไม่เดือดร้อนเราสามารถอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างสบายเหมือนกับตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยถ้าเรามีที่พึ่งทางใจถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจแล้วเราจะอยู่แบบตกนรก อยู่กับความทุกข์ทรมานใจเป <c oughs> ็นประหยัดสร้างที่ขึ้นขึ้นมาด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาโดยเฉพาะการภาวนานี่สาคัญคอยควบกลุ่มความคิดคอยควบกลุ่มความอยากให้ได้ทำใจให้สงบให้ได้แล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจอย่าให้ไปอยากได้อะไรพอไม่มีความอยากแล้วก็อยู่เฉยๆได้เปน็นามภุดกรรมภาก็ไม่เดือดร้อน พอไม่ได้อยากจะทำอะไรไม่ต้องใช้ร่างกายดีซะอีกมีคนเลี้ยงมีคนป้อนมีคนทำนะเมื่อก่อนเราต้องเมื่อก่อนเราต้องอาบน้ำเองต้องกินข้าวเองพอเป็นอามาพื้อัมมาผแล้วก็มีคนเข้ามาดูแลให้เราอย่างเต็มที่มองโลกในแง่ดีเสิ ดีทั้งนั้นเนะ่ะเวลาถ้ามีธรรมะแล้วมันมองอะไรมันดีเลยหมดถ้ามีกิเลสเนยมันมีอะไรก็ไม่ดีเลยหมดะมีน้อยล้านพันล้านก็ไม่ดีไ ม, ดม่พอต้องมีหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยถ้ามีความโลภแล้วมีอะไรก็ไม่พอได้อะไรก็ไม่พอเลยต้องฆ่าตัวนี้ให้ได้ฆ่ากิเลสฆ่าปัญหาไอ้ตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเรา ด้วยการภาวนาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปแล้วก็สอนใจให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความแปรปวนของทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปเพึ่งสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะเป็นไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งของเราก็คือความสงบการปล่อยวางการไม่มีความอยากอันนี้แหละ คือสิ่งที่พระพุทจ้าได้พบแล้วก็นำเอามาสั่งสอนให้กับพวกเราพวกเราต้องพยายามปฏิบัติกันให้ได้ต้องตั้งใจต้องตั้งเป้าว่าต่อไปนี้จะทําทานทุกวันโดยทำร้อยละเท่าไหร่ก็ว่าไปเดือนเดือนเดือนหนึ่งได้มาเท่าไหร่จะแบ่งกับัการทำทานเท่าไหร่ดีร้อยละสิบ้อยละยี่สิบหรือร้อยละสามสิบก็ว่าไป คนที่ใช้น้อยๆก็อาจจะร้อยละเก้าสิบก็ได้เก็บไว้แค่สิบก็พอเก็บไว้ซื้อข้าวเก็บไว้ซื้อยาอ่เสื้อผ้าก็พอแล้วไม่ต้องซื้อใหม่แล้วบ้านก็มีอยู่แล้วเอาไว้จ่ายแค่ค่าน้ำํำค่าไฟค่าที่จําเป็นเท่านั้นทำมือทำทำงานมาได้ร้อยหนึ่งก็อาจจะแบ่งไปสักเก้าสิบก็ได้ยิ่งใครได้มากเท่าไหร่ยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น เราก็จะรักษาศีลได้บรยสุดมากขึ้นรักษาศีลได้ง่ายขึ้นอยู่บ้านนั่งสมาธิได้ทาบุททำใจให้สงบได้หยุดความอยากได้แล้นเราต้องตั้งเป้าแล้วตอนนี้ว่าเราจะทําบุญทักเท่าไรดีจะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นทักเท่าไรดีแล้วพยายามทําให้ตามที่เราตั้งเป้าไว้การให้นี่เป็นประโยชน์มากกว่าการรับนะ นับถ้ารับมาแล้วเกินความจำเป็นก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำอะไรกลายเป็นภาระต้องคอยดูแลรักษาเอาไปทำประโยชน์ดีกว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้ถ้ารักถ้ารักหรือหวงในทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเวลาตายไปจะทุกข์มากจะเสียดายเพราะความเสียดาย แต่ถ้าไม่เสียดายไม่หวงแล้วเวลาตายน้ตายอย่างสงบตายอย่างสบายตายอย่างมีความสุขเนี่ังนั้นเราต้องตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำบุญเท่าไหร่จะรักษาสิ่งเท่าไหร่จะภาวนาเท่าไหร่ตั้งไว้เลยแล้วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทำจากน้อยไปหามากแล้วมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆตอนต้องก็ทาร้อยละสิบต่อไปก็ร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบเดี๋ยวก็ถึงร้อยเต็มร้อยเอง เต็มร้อยก็บวชได้สบายบวชได้ก็บรรลุได้เพราะคนที่บรรลุส่วนใหญ่ต้องเป็นนักบวชเท่งนั้น่ะถ้ายังเป็นคารวาะอยู่นี้น้อยคนที่จะบรรลุกันได้มีบ้างแต่ไม่มากเป็นเหมือนมือสมัครเล่นกับมืออาชีพไม่เหมือนกันมืออาชีพจะไปแข่งกับมือมือสมัครเล่นจะไปสู้มืออาชีพได้ยังไงเอาละนะขอให้ทุกคน เพียงพยายามปฏบิบัติบูชากันแล้วความสุขและความเจริญความดับทุกข์ก็จะเป็นผลที่ตามมาอาขอยุติการแสดงทำไว้เพียงแค่นี้